ทนะังถามพูดกับทุกท่านทุกคนว่าสิ่งที่จะพูดมีอยู่กับเราแล้วเอาเวากายละมีใจหน้ราประกอบมีติมีปัญญาโนกรู้ดูเห็น ตามความตามความเท็จความจริงสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายกับใจเราตามได้ทุกอย่างถ้ามีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงรู้จักเลือกได้รู้จักวางรู้จักปล่อยได้โดยเพพาะจิตใจ เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดแต่เรื่องของกายยังไม่ค่อยรู้จักบางส่วนมีผมบนเล็บวันหนังเนื้อเอ็กระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าหมหัวใจตับไปปอดไส้ใหญ่ไส้ด้อยไปรู้จักต้องอาศัยผู้เรียนลู้ทางกายวิภาคในแพทย์ แต่ว่าใจเราเนี่เห็นได้ไม่มีเรื่องใดที่ทำมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนี่มั่นใจถ้ามีสติมีปัญญาจะเป็นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมั่นใจไม่ถูกต้องจะเป็นความโกรธโลภหลองอะไรเกิดขึ้นมีความหลงเลสงสัยเกิดขึ้นไม่สีสติปัญญา สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหมดไปตามได้จริงๆเรื่องจิตใจมันไม่มีอะไรมีอารมณ์ที่เกิดกับจิตอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนตามได้จริงๆเรื่องนี้แน่นใจแม้จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับรูป ความมั่นใจในการทําใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความเจ็บความแก่ความตายก็มั่นใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดที่เก่าที่เก็บที่ตายอย่างไรมีความถูกความชอบอยู่เราจึงมีสติมีปัญญามาเรียนกรรมฐานเรียนรู้สูตร ไดยพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นความเทศความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่หลงเด็ดขาดในความหลงไม่ทุกเด็ดขาดในความทุกข์ไม่โกรธเด็ดขาดในความโกรธที่เกิดกับกิตเพราะมันมีสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่มีผิดมีถูก มีฉุกก็ไม่มีเห็นมันฉุกมีทุกก็เห็นมันทุกมันมีแต่ว่าเราไม่เป็นไปกับมันแล้วมันก็ไม่มีค่าอะไรนี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกายก็พอที่จะมีผลไปด้วยถ้าเรามีจิตใจที่รู้จัก เกี่ยวข้องกับจริงต่างๆเราจะใช้มันถูกต้องนอกจากร่างเราแล้วในวัตถุภายนอกจะมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเราเห็นหมดแล้วก็มีกายที่ช่วยจริงที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ตามความสามารถของเรามีความสามารถจะดูแล ดูเช่งกันนะกันว่าแต่เรามีเครื่องรับมีกรรมฐานมีการศึกษาเหมือนกันพูดรู้จักกันเช่นเรามีสติก็เห็นความหลงความหลงหลายรูปแบบมีสติเห็นเราพูดกันรู้จักบอกกันได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกาย ิงที่มันผิดจินเล่าชูบุหรีหิตสิ่งเสพติดได้ชีวิตที่ผิดพลาดก็บอกกันได้มีครูมีอาจารย์มีตำรับตำรามบางทีก็ได้บทเรียนจากความผิดที่เราได้ใช้ชีวิตมาไม่ถูกต้องเราก็ได้บทเรียนจากตัวเรามากมาย จึงไม่น่าจะปล่อยกันทิ้งไม่น่าจะปล่อยอะไรที่มันทิ้งไปในโลกนี้เรามีมือห้านิ้วสิบนิ้วมีขามีแขนมีกำลังพอที่จะช่วยได้ตามกำลังของเราเรนก็น่าพูดใจเห็นบวกขึ้นกติสาราเราจะช่วยเราจะช่วย เราจะช่วยสาลาช่วยกติช่วยสิ่งที่มันเชื่อหายจะก็ช่วยได้ตามสิ่งที่เราช่วยได้ไม่ปล่อยทิ้งนี่เราอยู่ร่วมกันเป็นกันระยานมิตรก็ก็คิดอย่างนี้จะบอกความเท็จจะบอกความจริง วิธีที่จะเห็นความเท็จความจริงก็มีวิชากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทร ง, งสอนไว้แล้วเป็นสูตรที่แน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงมันมีอันเดียวนีสติเปิดไดกายก็มีกายทุกคนก็มีกาย เมืท่ทำลงไปก็รู้กันเลยทีเดียวมีสติเห็นเวทนาก็รู้จากกันทีเดียวมีสติเห็นความคิดก็รู้กันเลยมีสติเห็นธรรมก็รู้กันเลยได้เห็นสิงที่เราเห็นที่เหมือนเกิดกับป่ากับใจก็เหมือนกันหมดวิธีปฏิบัติตัวต่างๆที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันหมด จะเข้นไปทําให้ไม่ถูกต้องตามคำสอนมันก็เป็นไปไม่ได้ดังต้ น, นจึงมั่นใจในการใช้ชีวิตร่วมกันมั่นใจในการใช้บนแผ่นดินอยู่กับโลกดินฟ้า อ, อากาศป่าไม้แม่น้ำมั่นใจ ที่จะทำความดีกับริ่งเหล่านี้นอกจากทำความดีต่อเพื่อนกันลิออยานมิตรมีอีกมากมายที่จะให้เกิดความสะดวกต่อกันแล้วกันห้อยอยเออพวกเราก็ทำกันตามสุดความสามารถ ต่ไม่ท่อถอยในสิ่งที่ถูกต้องไม่ยอมให้ทำผิดเกิดขึ้นกับชีวิตเราและจะช่วยคนอื่นตามความสามารถว่าจะบอกกันเพื่อกันลู้จากกาันในภาษาธรรมแต่ภาษาคนอาจจะไม่รู้ภาษาธรรมเหมือนกันหมด สติประเทศไทยหรือว่าสติภาษาบาลีคุ้นเคยกันพอสมควรแต่สติเป็นภาษาบาลีภาษาอินเดียภาษามาคุภาษาไทยหรือว่าความรู้จักตัวภาษาต้หลังหรือว่าอาเว ภาษาจีนหรือว่าอะไรนี่เป็นภาษาต่างกันแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกมันันเดียวกันแวก็คือยกมือขึ้นอาแวกสถิติก็คือรู้สึกตัวรู้สึกยู้สึกอะไกันเดียวกันแต่คนละภาษาเฉยๆแปลหลักทำอันเดียวกัน ดังนั้นเราจึงไม่น่าจะท่อถอยไม่น่าจะปล่อยทิ้งในเรื่อง น, นี้ใน้เราก็มีเวลาจริงๆมีกลางคืนมีกลางวันพอดีพอดีกับการใช้ชีวิตของเราไม่ได้ปล่อยเวลาให้ว่วงเลยเปล่าเช่นวันนี้ก็ลำดับไว้ สามบัดสวมปปดมนตจบแสดงธรรมแสดงธรรมจบคิดบัดจะออกโยคะก็ตัวเองสุขภาพไม่ดีต้องช่วยตัวเองบ้างออกโยคะออกโยคะแล้วาจะาไปลดต้นลดไม่เยอ นิดหน่อยรถต้นไม้เราจะจะไปเชลาหน้าไปเตรียมติดเครื่องขยายเสียงให้ <c oughs> ไปติดลำโพงติดรถให้ด้วยจะไปผูกปวดป่าผู้กลางให้ทันเวลาในกรคิดอังนี้บตี่จะทำได้แค่ไหน แล้วแต่เราจะทำได้แล้วก็จะชวนเพื่อนพวกเราที่เป็นนักบวชพระสงฆ์ไม่คี้ตามความนิมนต์โค์งการรู้ว่าจังหวัดที่เอาหนังสือมาส่งให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเป็นประธานบวชป่า องจะเดินขึ้นผู้กลางไม่ได้ถ้าหลวงพ่อกรมเดินขึ้นได้ก็คงจะขึ้นได้เอาหลวงพ่อกรมเป็นผู้นำถ้าคนอื่นขึ้นไม่ยอมถ้าหลวงพ่อกรมขึ้นจะขึ้นด้วยเออเเคิดอย่างนี้คิดว่าบางไว้จะทำ ทำได้วันนี้มีเสงอาทิตย์มีอากาศฝนไม่ตกแต่บุรบือบ้านไยฝนตกนะเมื่อวานนี้มาถึงบ้านเราไม่มีฝนน้องพ่อไปนาเชือกสารคามบุรบือมาบ้านไปฝนตกน่นคือกลางวันมาเห็บสูนเปล่า แต่การทําชี้เป็นจริงแประโลกไม่บ้างตามกําลังของเราแต่การทําที่ดูแลตัวเองเนี่ยพยายามที่จะไม่ปล่อยตัวเองทิ้งทางกายกไม่ปล่อยทิ้งถึงเขาอาบน้ําก็อาบน้ำถึงเขาล้างหน้าแปรงฟันก็จะล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่โดนซักผ้าซักผ่อนว่าให้เหม็นสาบเหม็นขา่าวทาได้แต่ทํา ทำบางอย่างทำไม่ได้ทั้งเจ็บไข้โดยป่วยอย่างอยา่าที่ฉันอยู่ทุกวันนี่ยานตุม่มบนหมูเป็นคนจอดให้เราไม่รู้เรื่องจิตใจนี่ทำร้ายทุกกระดีเปิดขาดในทิ้งในทิ้งเป็นอารมณ์ข้างในจิตมีเท่าไหรสละหมดไม่มีเหลือ จนพอใจที่พูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเรด็ดขาดไม่มีข้างคางในใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจนี่เหมือนกับมันมันเป็นชีวิตทีวามันเป็นศรัทธาบริสุทธิ์ทุกระดีเรื่องจิตใจนี่ทำได้ทุกอย่างไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืน ชอบที่สุดใจนี่ลมไม่ได้จะปล่อยทิ้งน่บางคนคุณคิดในลมที่คุณคิดในความทุกข์ความสุขพวกความคิดในความโกรธโลกหลงปอควมคิดมีกิเดชตัณหาผวมคิดมันอะไรกันคิดกันมาก็ทุกข์คิดแล้วก็กล้ากลัวอะไรกัน ของไม่ควรก็ถือว่าควรซะไปออมบัตรเห็นไปสุขไปทุกความคิดต้องออมบัตสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรสำคัญว่าของที่ไม่ควรน่เป็นควรในของที่ควรว่าไม่ควรใจชีวิตผิดพลาดที่จะต้องออมบัตต้องข้องแว่ ตองสะดุดสะดิดกระตุกกระตักทํางไม่ชีวิตลําบากไม่ท่องเที่ยวไปถ้าเป็นจิตท่องเที่ยวไปที่ลําบากในที่ไม่ปลอดภัยทําชีวิตให้หนักมันเรื่องอะไรกันจริงเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลที่ถึงที่สองมันเกี่ยวกับเราแท้ๆมีสติ <c oughs> เป็นเครื่องมืง นี่ปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยกรรมฐานช่วยวยกมขึ้นมา น, นองอยู่ก็ลูบสักตัวได้แต่ว่าฝึกไว้ก่อน้็ไปใช้ถ้าไม่ฝึกก็ใช้ใช้ไม่เป็นไม่รู้จักวิธีใช้ยอมทั้งหมดยอมไม่แต่ความหลงยอมไม่แต่ความโกรธยอมไม่แต่ความทุกข์ทำตามความโกรธามตามความทุกข์ ตามความรักทําก็ตามคว า, ามคเครียดชั่งเสียผู้เสียคนมามากเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็ต่างก็ยังไม่รู้จักเข็ยดหลับโกรธที่ใดเหมือนจุดไฟเผาตัวเองหน้าด่างคำเดียดไม่ยอมไม่รู้จักเมื่อเรามามีสตินล้มันอ๋ออ๋าาอไม่ต้งความคิดที่ไม่ตั้งใจ รู้จึกได้บทเรียนได้หลักตัว น, นี้มากที่สุดมีสติเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดกำลังนั่งยุบงูซาจังหวาอยู่ดีๆพูดออกไปเอ้าโอ้โหเห็นมันเล้พอใจว่าเห็นความเพ็ความจริงของชีวิตจิตใจของเราที่เราไม่เคยรู้จัก เห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจได้รู้สึกตัวเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากกิดได้รู้สึกตัวเห็นความโกรธที่มันเกิดขึ้นจากกิดได้รู้สึกตัวมันเป็นความชอบที่จุดถ้าเราทำกรรมฐ า, านเห็นของเทศของกิ่งที่สัมผัสได้เลือกได้ทำได้เลือกได้เงื่นใจเชื่อ มีศรัทธามีความเพียรมีสติมีปัญญาตรงนี้มากมายไม่ได้เรียนจากที่ไหนได้เรียนจากธรรมชาติที่มันสอนเราเกิดกับกายกับจิตใจของเราแนะ่ในปล่อยเท็จเด็ดขาดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดกับกิตใจแต่เรื่องที่เกิดกับกายนี่บางอย่างไม่รู้จัก จนจะตายไปแล้วจึงหนาดูตัวเองมาลาสุดท้ายหลวงพ่อเป็นมะเหลงมะละสุดท้ายแล้วอันดับที่สี่มะลสุดท้ายแล้วเราไม่รู้เลยเราไม่รู้จักเลยมียอดพี่น้องเคยเป็นมะเหลงไหมไม่มีเคยสูบดีไหมไม่สูบ เคยกินเล้าไหมไม่กินเล้าเคยกินของดีบีบชุกๆไหมไม่เคยกินแล้วก็มาตอบเองวาความชั่วต้องหลายแล้วไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรก็เลยบริสุทธิ์ใจแต่เราไม่รู้จริงๆถ้าเราเป็นลูกมะเรงอั น, นดับที่สี่ นี่หมอบอกหมอช่วยก็หมอไปช่ว ย, ยไม่โลดแน่ตายไปแล้วไป <c oughs> แลต่เมื่อจิตใจนี่ยโอ้ยอดเทียมมากนะยอดเทียมจรงจริงจิตใจทุกชีวิตนี้สิทธิแน่นอนรวมรู้สักตัวเอาเลยรู้สึกตัวหัดกายเป็น น, นิมิตเชี่ยกรมต่มันถึงใจ รู้สักตัวเห็นความเห็นกาเห็นกาเห็นกาเห็นความคิดเห็นสุขเห็นทุกข์มันจะเป็นบาิงยาเป็นความจำานิจจำนานเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัตินี่โอกาสดีแล้วพวกเราได้มีชีวิตทีวาได้มาพบกับคำสอนได้มีโอกาสปฏิบัติได้น นั่งอยู่บนกติของตนของตนตามข้อเหมาะสมมีอาหารจินตามสุขภาพมีเพื่อนมีมิตรมีผู้บอกมีผู้สอนมีผู้ดูแลซึ่งกันและากาันต่างคนต่างดูแลากาัเนเช่นนี้เรียกว่ามีโอกาส มีเวลาเพียงพอที่จะทำเรื่องนี้ไม่มีอะไรมาต่อรองอีกแล้วมือของเร า, ายกขึ้นลูกสึษตัวไม่มีใครบังคับไม่แต่พระสงฆ์เป็นสังฆะที่ร่วมกันทํางานก็ไม่มีใครบังคับมีความสมัครใจพากันทํางานบักบันเงื่อยไหล ย, ย, ย, ย่อย ต้องจบจอบจับเสียมใต่ถุงม่ถุงมือปิดปากปิดจมูกอันนี้ความรู้สึกตัวเนี่ยมีทันทีเลยเวลาก็พอมีเวลาเราสร้างความรู้สึกตัวไม่มีใครมาบังคับเราแต่การทำงานงานบังคับงานบังคับเราอันนั่นก็ยังทำสำเร็จ ให้เป็นง <c> า <oughs> นการทําเรื่องของชวนตัวเนี่ยมันสะดวกกวการทํางานแม้บางคนเรื่องลูกดังหลานมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็ยังทํำไรสาเร็จแบบนี้เรามาทําเรื่องนี้นะน่าจะเป็นงานเล็กน้อยเท่านั้นเองกูเองกูเองกูเองตกเนะื้อออกเฉยเลยได้เห็น ไม่มีสติดูกายเคลื่อนไหวได้รู้ได้รู้ไม่เคยทําแบบนี้เลยเคยจบจบเคยทำงานได้เงินได้ทองได้สิ่งวัตถุสิ่งของผมยกมือสร้างชะบอกมาได้ลายมันก็ไม่ชินมันเคยใช้มือใช้พลังงานสร้างประโยชน์ได้วัตถุสิ่งของวันถึงวันหนึ่งได้เงินได้ทอง ไปมาทำตัวนี้ไม่ได้ไล่ะได้ไรตังคเดียสงสัยเราไม่ลูกเรามีเมียมีพ่อมีแม่เรามีครอบครัวมีการงานไม่วัวไม่ควายเราได้แล้วมาอยู่เนี่ยยิดหน้าคิดหลังเกือบยี่ชีวันนะโอ้เราบรรู้สุดตัวหนิเราไม่ใช่ไม่คิด เ, เ, เ ร, รื่องไหนเราลุกสึดตัวได้ลูกนะโอ้ได้ลูกนะ โอ้ยเลู oh, oh, ่ไล้รู้สิกตัวอ้ยเราไม่เคยลู่เรื่องนี้เลยเลลู่สิกตัวเลยลู่สิกตัวได้ลู่สึกตัวได้ลูสึกตัวเลยลูสึกตัวได้ลูสึกตัวได้ลู่สึกตัวลูสึกตัวได้รู้สิบอ้าวมันมันก็ยังเป็นทัพย์จริงๆน่ยมันรวมรู้สึกตัวเหมือนกับทันใจเมือนเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาไว้ดำนานี่ยพึ่งปีจึงค่อยได้ผล อันนี้ปนเป็นไเดี๋ยวนี้อนี่หรืองานนี่หรือพุท ธ, ธะนี่หรือธรรมะบาศิสต์คือทําเรื่องนี่หรืออืครูอาจารย์ทำแบบนี้หรือหลวงพ่อเทียนทำแบนี่หรือโอ้ได้รู้ได้รู้ได้รู้ได้รู้ได้รู้โอ้โหเข้างานได้บัตแต่ก่อนชิดหน้าชิดหลังแย่งเหตุผลเต็มไปหมดเลยเอาใช่คนเกียติการคนมีประโยชน์ ทำประโยชน์เชื่อมัน่นทำสวนโบราณมาว่าไปป่าจะามาดายเอาไม่ตายมาแจ้งหมอ้อดึ้อวันหนึ่งไม่ได้ไรได้รุ่นฝืนมาไว้หงเข้านี่มาทำเนี่ชิดหน้าชิดหลังเมื่อมาเข้าใจโอ้ได้รู้เนี่ยได้รู้เนี่ยเอ็ดความขยันมันเพียนขึ้นมาเป็นกรอบปันกรับกันมา ต่างกันกันกบทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในเป็นสบัดของเราจริงๆไม่เคยรู้อย่างนี้ได้เห็นอรยได้เห็นเวชนาะได้เห็นความคิดได้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นไม่เคยรู้จักได้เห็นความคิดที่มันทําให้เราหลงอยู่ในโลกแห่งนี้มาหนาน่นหนามากเลยทีเดียวจบปกะความคิดทุกปกะความคิดมากไปเคยรักก็เคยโกรธทามันคิด โดยถูกถก็เคยทุกข์เมันคิดขึ้นมามันชอบอะไรสิง ท, ที่มันชอบก็ทำตามความชอบพิ่งสิ่งที่ควรเห็นสิ่งที่ไม่ควรว่าควรปล่ายจากพุทธะผือไปแอนนี้ใบเห็นดูจักนี่คือปฏิบัติธรรมมันได้ได้ฐานได้ชีวิตสร้างชีวิต รต่เปนก่อนเป็นคำ ว, ว่ายาจมมันได้วัตถุมันมาได้ชีวิตมันได้แต่วัตถุชีวิตไม่มีชีวามันชีวา่าสุข ก, ก็เป็นสุขปลอมเมื่อมีสุข ก, ก็ทุกข์ไล่ตาออยากได้สุขทุกข์ไล่ตาอดีที่มุกไปมีอะไรที่จะต้องต่อชู้วุ่นวายในสมองตมอมาเรนรู้จักธรรมะนโอ้รู้สึกว่าไม่มีชีวิตชีวาม ห่ายชีวิตขึ้นมาเห็นไม่เป็นยิ่งใหญ่ขึ้นมาอะไรเกิดกับกายกับใจเห็นไม่เป็นเด็ดขาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับกายถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับใ จ, ใจได้ถูกต้องเป็นความเท็จควาจริงไปสากลเห็นก้ศสเห็นด่าโก้โ อกุศลคือความไม่ถูกต้องเคยหลงไหลเคยรับช้อกุศลเห็นกุศลที่เป็นความถูกต้องก็ยังช่วยเราอยู่แต่เราไม่ค่อยจะให้เจริญในกุศลอาจจะทำให้อกุศลเจริญมากกว่าชีวิตที่ผ่านมาได้ทักท้วงตัวเองได้โต้ตอบได้ก่อเท็จก่อจรจากชีวิตของเราที่ผ่านมา กุศลก็พยายามช่วยเราอยู่ธรรมะช่วยเราอยู่เรามาคือช่วยธรรมะไปเข้าข้างควาโกรธควาหลงควงมไม่ถูกกังวลความคิดปุ๊งแตงมากว่าที่จะมีชินมีธรรมแต่ม่ชีนไม่ธรรมก็เป็นความอดขั้นต่อให้บังคับตัวเองเจไม่ใช่โห่ใจบังคับเป็นกฎระเบียบที่บังคับเพราะนั่น นวาาศึกษาแล้วมันเห็นความทุกความยิ่งเกิดกับเราเ น, ะนาะเนาะเวลาวันนี้จะไม่พาใช่เอาเทานี้ก่อนเนาะจะทำอกันกะับ <laughs> พระพมกัน